ยังอาจกล่าวถึงการพัฒนาบุคคลที่ถูกต้องสมบูรณ์ว่าเป็นพัฒนาการด้วยความรู้ความเข้าใจที่ทําให้เจริญเติบโตขึ้นอย่างเกื้อกูลแก่สังคมและอย่างเป็นกันเองกับธรรมชาติพร้อมกับได้ทั้งสังคมและธรรมชาติเป็นที่หล่อเลี้ยงให้ชีวิตงอกงามเ อ, อิบอิ่มเบิก บ, บานมีความดีงามและความเกษมสารเมื่อคนจะอยู่ร่วมกันด้วยดีแม้เพียงสองคน